สิ่งเพจเถามผมเป็นคนที่ประสบความสำเร็จในชีวิตและมีคนนับหน้าถือตามากพอสมควรหลังๆรู้สึกแปลกใจที่มาเข้าไปเป็นประธานงานบุญใหญ่ๆแล้วรู้สึกเฉยๆแต่กลับเลื่อมปีติอยู่นานกับการได้ทำประโยชน์เล็กๆน้อยๆเช่น เมื่อบุรุษไบร์ชนีส่งจดหมายผิดบ้านผมก็เดินเอาไปส่งให้ถูกบ้านด้วยมือตนเองตอบนั่นแสดงให้เห็นว่ากำลังใจในการทำบุญเป็นส่วนสำคัญที่สุดที่ก่อให้เกิดโสมนัสครับหากกำลังใจอ่อนสมนัสก็เกิดเพียงน้อยหากกำลังใจแรงสมนัสก็เบ่งบานมากการก่อกรรมหนึ่งหนึ่งนั้น การตัดสินว่าได้บุญหรือบาปเพียงใดสมณัสเป็นตัวแปรที่สำคัญมากๆแม้ว่าจะรู้สึกชื่นใจเหมือนกันก็ใช่ว่าเป็นเรื่องดีเหมือนกันยกตัวอย่างเช่นคุณเกลียดขี้หน้าใครคนหนึ่งเข้าไส้วันหนึ่งคุณได้ข่าวว่าเขาถูกยิงตายอย่างโหดเหี้ยมและคุณยิ้มออกมาโดยอัตโนมัติแถมเอามาเล่าต่อให้ใครต่อใครฟังด้วยความสะใจยิ้มไม่เหือดจากใบหน้าเป็นชั่วโมง นั่นแหละส่องสะท้อนว่าจิตของคุณเป็นอกุศลอย่างหนักเพราะจิตเกิดความยินดีปรีดาในความตายอย่างสยดสยองของผู้อื่นเป็นเวลานา น, านกรณีนี้แม้คุณไม่ได้ทำปานาติบาตคือไม่ได้ลงมือฆ่า ด, ด้วยตนเองแต่เมื่อยินดีในปานาติบาตของผู้อื่นก็เหมือนเฉียดปานาติบาตไปด้วยแล้วเพราะกำลังใจที่จะคิดต่อกาลังใจที่จะเอามาเล่าต่อนั้น มีมากพอจะก่อให้เกิดโสมนัสและตราบใดโสมนัสยังไม่เหือดแห้งไปใจคุณก็จะผูกแน่นอยู่กับบาปในการฆ่าด้วยความยินดีไม่เลิกเปรียบเหมือนคนยังไม่ลงน้ำแต่ก็สามารถรู้ได้ว่ามันเยียบเย็นเพียงใดจากการยื่นเท้าลงไปแตะแต่ผิวน้ำหรือเปรียบเทียบคนยังไม่ได้กินเหล้าล่วงลําคอแต่ก็สามารถรู้ว่ามันทําให้สมองชา จากการเอาลิ้นไปลิ้มเล่าแม้คุณไม่มีเจตนาฆ่าไม่มีการพยายามลงมือฆ่าแต่จิตของคุณก็แปดเปื้อนบาปของการฆ่าไปแล้วหรือกระทั่งรู้รสของความสะใจในการเป็นฆาตกรไปแล้วตัวความยินดีปรีดาหรือโสมนันั้นยิ่งเกิดนานขึ้นเท่าไหร่ก็เท่ากับ ได้เครื่องบำรุงบุญบำรุงบาปให้เจริญงอกงามขึ้นเท่านั้นซึ่งในกรณีของคุณถ้าหากอธิบายได้ว่าทำไมสมนัสจึงเกิดมากหรือเกิดน้อยก็เป็นอันจบข้อสงสัยได้ว่าเป็นประธานงานบุญใหญ่กลับไม่เกิดรู้สึกได้บุญเท่าไหร่แต่แค่เดินเอาจดหมายไปส่งให้เพื่อนบ้านกลับเหมือนได้บุญมากลองคิดดูตอนยังไม่เป็นคนใหญ่คนโต การเดินเอาจดหมายไปส่งถูกบ้านอาจเหมือนงานต่ำต้อยไม่มีค่าไม่มีความหมายไม่น่าทําทําแล้วเหมือนเป็นคนใช้ทําแล้วไม่ได้ผลประโยชน์ตอบแทนแต่เมื่อคุณกลายเป็นคนสำคัญความรู้สึกทางใจจะกลายเป็นอีกอย่างหนึ่งคือต้องมีความอ่อนน้อมถ่อมตนกับทั้งต้องอาศัยกำลังใจเป็นอันมากขาจึงจะยอมก้าวเดินไปหลายๆก้าวเพื่อทาประโยชน์ให้กับผู้อื่น โดยที่ตัวเองไม่คิดว่าจะได้รับผลตอบแทนยิ่งเพื่อนบ้านอยู่ห่างจากบ้านคุณเท่าไหร่กำลังใจที่ใช้ก้าวเดินก็ยิ่งมากขึ้นเท่านั้นและอย่างที่กล่าวแต่ต้นว่ากำลังใจยิ่งมากสมณัตก็ยิ่งแรงแถมนี่เป็นการให้พลังกายเป็นทานโดยไม่หวังผลตอบแทนปราศจากโลภเจืออยู่จิตมีแต่อาการเล็งไปว่าถ้าเขาได้รับจดหมายก็ไม่ต้องคลาดสารจากผู้สง่ง จึงไม่น่าแปลกใจว่าเหตุใดคุณจึงปราบเรื่อมยินดีได้นานเพราะนั่นเป็นวีรกรรมน้อยๆกุศลเกิดขึ้นอย่างใหญ่จนเกิดความรู้สึกอิ่มใจต่างจากการเป็นประธานพิธีบุญใหญ่หากมีคนอื่นระเตรียมทุกสิ่งไว้ให้คุณแล้วคุณแค่เอาตัวไปเป็นหุ่นเอาหน้าไปแสดงตามธรรมเนียมแถมมองไม่เห็นด้วยใจตนเองว่างานบุญนั้นจะได้ประโยชน์อย่างไรจิตเลงแต่ว่า เอาเกียรติของตนไปช่วยให้ความตั้งใจผู้อื่นสำเร็จเสร็จไปเช่นนี้กําลังใจก็เกิดน้อยโสมนัสจินอ่อนหรือแทบไม่มีเลยความปลาบปลืม้มหรือความอิ่มใจว่าเราทาบุญจะได้มาแต่ไหนยังไรก็ตามอย่าเข้าใจว่าเป็นประธานงานบุญแล้วไม่ได้บุญนะครับยังไรบุญก็คือบุญโดยเนื้อหาของตัวเองแต่คุณตกลงใจไปเป็นประธานงานบุญ เท่านั้นก็ได้บุญในฐานะประธานงานบุญแล้วผลย่อมเกิดขึ้นมากหรือน้อยช้าหรือเร็วเช่นถ้าทำบ่อยๆแล้วเกิดเป็นมนุษย์ในชาติถัดไปคุณจะมีรูปร่างหน้าตาดูสมเป็นผู้นำในวัยเด็กครูหรือเพื่อนร่วมชั้นเห็นเข้าก็เชื่อว่าหุ่นแบบนี้น่าจะเป็นหัวหน้าห้องอะไรทํานองนั้นแม้เอาเข้าจริงคุณจะไม่ค่อยมีอัธยาศัยใครเป็นหัวหน้าสักเท่าไหร่ ส่วนการเอาจดหมายไปส่งให้ถูกบ้านเป็นกรรมดีที่นำของไปสู่มือเจ้าของผลย่อมช่วยให้คุณของหายยากเช่นกระเป๋าสตางค์ตกจะมีคนช่วยหยิบหรือร้องเตือนทันทีคุณจะนึกขอบคุณเขาและเกิดแรงบันดาลใจอยากช่วยให้คนอื่นไม่ต้องประสบภาวะของหายบ้างวนเวียนเป็นปฏิกิริยาลูกโซ่อยู่อย่างนี้ทดลองได้เลยนะครับถ้าปลูกฝังนิสัยตัวเองไว ให้ไม่ยอมดูได้หรือละเลยเมื่อพบสมบัติพลัดจากมือใครเมื่อใดสมบัติของคุณจะพลัดจากมือก็ต้องมีคนช่วยให้สมบัติกลับมาสู่มือคุณเสมอ